พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิสีพระสูตรที่แปโคปกะโมคคลานาสูตรสูตรว่าด้วยพรามชื่อโคปกะโมคคลานะพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วไม่นานพระอานนุ์อยู่ในเวลุวนาวรามใกล้กรุงราชเครือพระเจ้าอาชาศัตรูกําลังให้ซ่อมแซมกรุงราชครือเพื่อส่งต้อนรับพระเจ้าจันทประโชด ผู้เป็นสหายของพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาพระอาณนวะไปสนทนากับโคปะกะโมคลานะพรามซึ่งกำลังอยู่ที่โรงงานพรามถามถึงภิกษุผู้มีคุณธรรมเท่าพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่ตอบว่าไม่มีแล้วชี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางระสาวกเป็นผู้ดำเนินตามทาง วัศการพรามตรวจงานมาพบจึงถามว่าพระาศาสดาทรงตั้งใครเป็นที่พึ่งที่ระลึกแทนพระองค์ตอบว่าไม่ได้ทรงตั้งใครถามว่ามีใครที่สงแต่งตั้งให้แทนหรือไม่ตอบว่าไม่มีถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีที่พึ่งระลึกตอบว่ามีคือมีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก พราหมขอให้อธิบายจึงอธิบายถึงการที่ภิกษุประชุมกันสวดปฏิโมกจัดการกับภิกษุที่ต้องอาบัตไม่ใช่ถือว่าบุคคลจัดการแต่พระธรรมจัดการเมื่อถามว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านเคารพนับถืออยู่อาศัยตอบว่ามีถามว่าเมื่อตอบปฏิเสธว่าไม่มีใครแทนพระพุทธเจ้า แล้วกลับตอบรับว่ามีผู้ที่ท่านเคารพนับถืออยู่อาศัยจะหมายความอย่างไรพระอานุนจึงตอบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมะที่น่าเลื่อมใสสิบประการไว้ธรรมะเหล่านี้มีในผู้ใดเราย่อมเคารพนับถืออยู่อาศัยผู้นั้นธรรมะสิบประการคือหนึ่งมีศีลสองมีการสะดับมาก 3. ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้หรือสันโดษ 4. ได้ชาญสี่ตามต้องการ 5. แสดงฤทธิ์ได้หมีหูทิพย์เจกำหนดรู้จิตใจของผู้อื่น 8. ประลึกชาติได้ 9. มีตาทิพย์10ททำอาสวะให้สิ้นวัสการพราม ถามอุปนนทเสนาบดีว่าท่านเหล่านี้ชื่อว่าเคารพบูชาผู้ควรเคารพบูชาหรือไม่เสนาบดียอมรับว่าเคารพบูชาผู้ควรวัศการพราหมณ์จึงถามพระอานนทึงที่อยู่เมื่อทราบว่าอยู่ณเวลุวนารามก็พูดเท้าวความถึงพระผู้มีพระภาคเรื่องการบำเพ็ญฌานโดยถามว่า พระโคดมทรงสันเสริญฌานทุกชนิดหรือไม่ตอบว่าไม่ได้ทรงสันเสริญฌานทุกชนิดแต่จะไม่สันเสริญฌานซินท่ทั้งหมดก็หาไม่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสสันเสริญผู้บำเพ็ญฌานย่างไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับนิวรณ์ห้าคือกิเลสอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำตรัสสันเสริญภิกษุ ผู้สงัดจักกามสงัดจักอกุศลธรรมบำเพ็ญฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่วัศการพราหมณ์ยอมรับว่าพระโคโดมทรงติฌานที่ควรติทรงสรรเสริญฌานที่ควรสรนเสริญแล้วลาไปโคปกะโมฆลลานพราหมณ์พูดกับพระอา น, นุ์ว่ายังไม่ตอบคําถามของตนพระอานนุ์ว่าตอบแล้ว คือไม่มีภิกษุที่มีคุณธรรมเท่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ชี้ทางพระสาวกเป็นผู้ดำเนินตามทาง